ที่ได้มาอยู่จำมัรรสาไม่ว่าภิกษุสามเณรุบาสุบาสิกาที่มาจะอื่นและที่อยู่ในที่นี้ก็ดีเหมือนกันแม่มาจํ ม, มัรรสาทิ้ไไรมาสามเดือนแล้ววันนี้เป็นวันโรณนาออกพรรษาต่างคนก็จะแยกได้ไปทำมาห้กินทำธุระหน้าที่ข้างตน้น แต่ละคนละคนมีภาระต่างๆกันคำว่าพันสาเดี่ยวนี้มาให้เอาฝนือดูฝนสี่เดือนไอดูฝนสี่เดือนเรียกว่าพันษาแต่แท้จริงนั้นมันเป็นชื่อของฝนได้เฉยนี่แหละ เลยต่อมาเลยกลายเป็นวันสาคัญให้เจ้าพระสงค์ได้บวชพอดีหรืออุบาสกอุบาสิกาได้จำได้อยู่พันษาพอดีถือเป็นของขังถือเป็นของศักดิด์สิทธิ์ในดูสี่เดือนนั่นแหละเลยได้เข้าใจว่าพันษาหนึ่งที่จริงไม่ใช่วันษาหรอก ความเป็นจริงเนี่ยท่นานษาหนึ่งท่นา 1, ทนษาหนึ่งก็คือเราอายุนับอายุนั้นแะถึงคิดสองเดือนเนี่ยค่อยเป็นทันานษาหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันย่อเข้ามาโดยเอาเอาใกล้ๆสันส้นเอาเพียงสี่เดือนแต่เดือนแปดไอ้ที่เดือนคิ 8, ดสองเรียกกี่เดือนนั่น เป็นพรรษาหนึ่งแล้วยิ่งคนนั้นอีกยังไมาทันถึงพรรษาที่งอีกสามเดือนเท่านั้นเลยได้พรรษาแล้วผู้ได้บวชข้ามาถึงสามเดือนนะเยเรียกว่าได้พรรษาก็ไม่เป็นของสำคัญเลยหรอกพูดให้ฟังเฉยๆนี่แหละมันเรียงพรรษาจะสีหนึ่งนหรือเสามเดือนก็ตาม จะนับเป็นพันษาหรือไม่นับกอสามใจก็ไม่มีข้อสำคัญเลยนะักข้อสำคัญที่สุดที่เรามาอยู่จำพันษานะพ่อพันศาจะต้องแยกย้ายเลยธรรมาห้าจิตตามภารกิจธุรกิจของตนตนของตนของต น, ต น, ตนขอให้ยึดมั่นในห ล, ลักที่เราได้ปฏิบัติมา ถ้าปฏิบัติมาเช่นไรแน่นอนในใจของตนว่าอันนี้เราเป็นหลักถูกต้องแล้วให้จับหลักนั้นได้อันนั้นเป็นของสำคัญยิ่งนะเรามาปฏิบัติธรรมใ น, นคล้ายๆกับว่ามาลึกมากรอมาพิจารณาพินิจพิจารณาหาข้อเท็จจริงในหลักธรรมนั้นๆที่เรามาปฏิบัติ ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติเพียงพันษาหนึ่งก็ดีหรือหากบางคนอาจจะไปหลายวัดหลายวหายวหลายพันษาแล้วก็ได้ที่ปฏิบัติมาแต่ก็จับหลักไม่ได้คือว่าพินิษ์พิจนากึกกองเิรท่องแท้ในใจของตนไม่จริงเลยสักอย่างเดียวไม่รัวรูลวเลปฏิบัติโลเล เอาหลักมันคงไม่ได้ น, นั่งก็ยังใช้ไม่ได้ดิใช้ไม่ได้ดีการที่จะให้ได้ดีแท้ๆนะต้องให้มีหลักให้มันคงใม่ไ้ของตนการที่ให้จะได้ให้มันคงของตนนั้นต้องพิจารณาตามนี้แหละที่เราปฏิบัตินี่แหละก็ไม่มีอะไร ห, หรอกปฏิบัติในพุทธศาสนาคือทําดี มีหลักยังไงกันบ้างที่เราทำดีๆทาดีทุกวันนี้มีหลักอะไรบ้างพูด ก, ยดก็ย่อคือว่ามีการทำทางมีการรักษาสิต ม, มีการทำสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาทั้งสี่อย่างนี่แหละเรียกว่าหลัก หลักการทําดีของพุทธศาสนาไม่หนีจากนี้ทั้งไม่หนีจากนี้ที่ทําคนดีทั้งหมดไม่หนีจากนี้เลยตามรักจีพกาเนี้ยข้า น, นี้หลักเบื้องต้นเรื่งการทาําทานมีอะไรเป็นหลักเบื้องต้นที่เราจะต้องยึดมัน การนำทานต้องมีความเชื่อเป็นหลักมันมก่นคงใช่ก้เชื่ออะไรก็เชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเชื่อมั่นในอย่างนี้เรียกว่ากรรมกรรารศรัทธาเชื่อกรรมเรียวผลของกรรมคองเชื่อมั่นแล้ว ทำทำทานลงไปย่อมไม่ผิดพลาดได้ความสมปารณนาทุกกาอะไรที่ว่าไม่ผิดพลาดในที่นี้ความเชื่อแน่นแน่ในใจของตอนแล้วทำทานลงไปทานยังเป็นผลเลิศทานยังย่อมได้แก่ตนเอง ความเชื่ออย่างนี้ทานสมัยทางทางพุทธกาลท่านเทศนาไว้ว่าทานนวัตุมีสิบประการทานเรียกว่าวัตุทานวัตุถ้าไม่มีวัตุไม่เรียกทานและทานต้องมีูุรลับ จึงเรียกว่าทำฐานฐานมีวัตถุฐานมีสุรับจึง เ, เรียกว่าฐานฐานสิประการวัตถุสิประการอนาปานังวัดถังงาหนังอนาแปลว่าเข้าถ้าเข้าคือให้ฐานข้าวปานังให้ทานน้ำ วัดถังผายานังคือยัวยานพานะเรานี่แหละสี่อย่างนี่แหละเอาไว้ใชก่อนคือให้ทานต้องมีวัตถุเช่นเข่าเป็นตน้นต้องมีวัตถุแล้วก็ให้ใครผู้รับปฏิคาหกให้ใครก็ได้ให้เจ้าก็ะสงที่สูชามเนรุวาสุาติกา หรือให้แม่แต่สติไรฉานเขาเรียกว่าให้ฐานยานางคือน้ำไอไอปานางคือน้ําให้น้ําอะไรก็เอาน้ปาปลาหน้าก็เอาน้ําดื่มธรรมดาอันนี้ก็เอาให้มีแต่ข้าวไม่มีน้ามันก็ไม่ให้ ไ, ไม่ได้เหมือนกันข้าวก็ต้องหุงด้วยน้ํามันจึจะสุกน้ําอะไรน้ําอะไรก็ตามเสร็จ สุดแล้วแต่คนทีน่จะควรคบริโภคได้เรียกว่าปารั ง, งวัดถังคือผ้าให้ทานผ้าสัทานทหากว่าเป็นภิกษุสามเณรแล้วก็ใช้ผ้าเหลืองว่าเ้าเนี่ีีแล้วก็ใชผ้ชผ้าขาวคนนักปราตญามันที่เป็นคารวะ แล้วแต่จะใช้สิ่งแล้วแต่จะให้สิ่งพาได้ก็ได้พาสีสนนารนนะรูปพันธุ์ต่างได้บ่ยาหนังยาพาหนะที่ช่วยให้คนได้เดินเร็วเขาให้คนไปถึงเร็วเขา่าจะเป็นรถเป็นลาหรือเป็นพาหนะเครื่องบินก็ได้ เพราะนั้นเรียกว่าธานยานะมาลาคันทางวิเลปนังคือว่าเครื่องลูกมาลาคือดอกไม้ทูกเทียนและของหอมกระเจะจันลัการต่างๆวิเลปนังคือเครื่องลูกไล่ของทาตนทาตัว ให้นี que que warm, ่เรียกว่าให้ทานวัตถุคันทางวิเวปนังให้ทานวัตถุมีของหอมรูป้ายเป็นตนให้ต้องมีคนรับทานวัตถุต้องมีคนวัตถุผู้รับต้องมีวัตถุคือขดหรือสิ่งต่างๆที่ จะรับขนานะนั้นนะยังเรียกว่าฐานนวัตถุจิปะการทานเป็นอย่างนี้ยังอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของในซึ่งเป็นภาษาเขาพูดของที่เรียกว่าอคคคือการสละจากค่านี้ไม่ต้องมีใครรับสละไอสละมดจะเรียกว่าไม่มีใครรับก็ได้ มันไม่ต้องมีวัตถุจาคะาเป็นของสำคัญมากบางครั้งท่านก็เรียกว่าทานบริจาคถ้าเกิดเคยเรียกเหมือนกันแต่ว่าทานจะมีอีกอย่างนบริจาคจะมีอีกอ่เหมือนกันมีสองคำจาระฆาสะละนี้เช่นเราปฏิบัติ อันใดขัดข้องในจิตในใจเศร้าหมองในจิตในใจไม่พองใส่ปอดโป่งในจิตในใจเราสระส ร, สระคือจ่าข้าเองสระอะได้เกิดจากข้าเป็นของดีมากอันนี้ก็ดของสูงสิเดียวสระอารมณ์ทุกสิ่งทุกประการที่ข้องขัดอยู่นในจิตในใจของตน เพื่อขอให้มดไม่มีใครรับแต่หากไม่อดทนจะรั บ, บัลจากอย่างพระพุทธเจ้าสละมดโลกโกถงสละห ม, ะหมแล้วคนทุกวันนี้นี้พากันแย่งชิงกันความโลกโงสละมดมาตกพวกคนทั้งหลายชิงกันเลย อยากได้โน่นอยากนั่นนี่จริงดีจริงเด่นจิงลาดจิงยอดซึ่งกันและกันนะกนั้นเรียกว่าโลภอ่อนั้นเรียกว่าแย่งกันเมื่อแย่งนั้นจะเป็นเหตุะเลาะีิว่าทุ่มเสียงฆ่าฟันซึ่งกันและ ก, นกนันนั้นในความโลภความโกรธเสมอกันพระุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านเทิงหมดละหมดแต่คนเรานะ่พอกที่ชอบนัก ไม่ว่าคิดหูไม่ได้ครับไปรักเอาความเขามาโกรธซะอีกไม่รู้เลยเขาตัวเขาไม่รู้ซะอีกเป็นคนพูกเขาพูดว่าเราเนปะ็รักเอาความโกรธนะเมื่อโกรธอยู่คนเดียวกุ้มใจคนเดียวเขาลงโมลเมาต่างเหมือนกันนันนี้จาหักเป็นอย่างนี้พระองค์ไม่มีตัววัตถุ ที่วัตถุทานก็ไม่มีวัตถุจา่าก็มีบุคคลก็ไม่มีที่จะรับแต่ข้างไม่โอดคนที่มารับออกชัทธาก็เป็นของดีดีเหมือนกันพระองค์ก็เทศนาอะไรสทายะปริสุสติไอไอสถายะตาดีโอขัง ศรัทธาเป็นเครื่องขามโอค่ะคือหมายความว่ามีศรัทธาแล้วเชื่อมันน่นแล้วนั่นแหละเป็นเศษขามโอค่ะถ้าไม่มีศรัทธาอย่างเดียวมดเลือกโอค่ะหั็นขามข้ามาคนโอคะคือสงสารโอค่ะคือว่าตาสงสารห่วงคือห่วงแล้วคือโอค่ะ ลาคะโทสาโมหะเป็นโอค่าแต่ละอย่างละอย่างคนที่จะข้ามโอค่าได้มันต้องมีศรัทธาศรัทธานี่เป็นของสำคัญที่สุดเชื่อมันในกรรมเจ้่ผลกรรมดังอธิบายมาแล้วแต่ว่าศรัทธานีะเป็นเบื้องต้นของธรรมานอย่างอธิบายให้ฟัง ที่บาปขค้วมันจะลืมหลังเดี๋ยวจะลืมหมดค่อยเข้าใจใกล้ๆวะเข้าใจใกล้ๆนี่วะศรัทธาเป็นื้นต้นที่จะทำทานเมียเป็นื้งตน้นในการที่จะทำทานถ้ามีศรัทธาแล้วไม่อดทานอยู่ไหนก็ได้มากก็ไดน้อยก็ไดไม่ต้องเลือกวัตถุ จะเป็นข่าเป็นน้ำเลยนะฮะการคินหมากภูพุรีสารพัดไม้ไร่ทีเป็นทานทั้งหมดแม้แต่ใบไม้ใบตองเขาเป็นทานเราทานไปนด้วยศรัทธาเชื่อมันว่าทําสิ่งนี้ให้ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่คนนั้นจะเป็นบุญี่เป็นประโยชน์แก่คนนั้นนั่นแหละอี้โอ้ยใจขึ้นมา นั่นเราเรียกว่าศรัทธามันทําให้อิ่มใจคัณฑานี่ยไปเลยอิ่มอกอิ่มใจทุกอย่างทราบทึงทึ ง, ง, ง, ง, งจิตทึงใจไม่ลืมเลยนั่นถึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถามอุคาได้อันนี้เรื่องสมาธิมีอะไรเป็นหลักผู้หัดสมาธิมีอะไรเป็นหลัก ให้พิจารณาถึงตัวของเองตัวเองก็ได้ให้พิจารณารว่าเราทําทําีมาที่ดุวา น, นี้เพื่ออะไรเพื่อสาระสาระอะไรทุกอย่างเลยสาระเมื่อทุกสิ่งหรืออย่างอะไรมาจีบมาคล้องในใจมือหมองในจิตนั่นสละสิ่งนั้นเนี่ยมันเรียกว่าจาระวินลักอย่างนี้ ที่ท่านเรียกว่าละวิตกวิจารติทีสุขิตตาห้านั่นเรียกองค์ทานมีองหาละตะคืสละนั่นเองกระจาธาตัวนั้นเนี่ยละตะวิจาขหะตัวนั่นเอ ง, าอเองจาระสละไปแล้วนั้น จิตใจเงี้ยปลอดโอบของใสสะอาดเราเห็นทุกคนต้องเห็นด้วยใจตนเองไชยศร้าได้แต่เห็นด้วใจตัวเองนั่นแหละความโกรธมันเศร้าหมองความโลภมันกว่เศร้าหมองความหลงมากกว่าเศร้าหมองทําใจให้มืดจิตทําใจให้จิตคลองในเรื่องนั้น ไม่หายสักทีคนที่ติดพบพิดชานาิจนนานก็ติดเจ้าของคนนี้เองผู้ที่ติดอยู่นานๆาติดพบพิดชาตนานานมันเลยเป็นนิสัยครองแล้วนี่เลยจึงหัดละหัดทิ้งหัดถอนในชาตินี้เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วหัดปลดปล่อยทอดทุระเสีย ทำมันค่อยเบาางไปนั่นยังเรียกว่าหัดสมาธิเพื่อลักี่มีการลักมีการปล่อยวางเป็นหลักปัญญาแล้วคันความที่พิจารณารอบรู้ในสิ่งต่างรู้อะไรก็เอาเถอะ ของเล็กๆน้อย้ก็อยู่ในเขตในขอบเขตของปัญญาว่าสิ่งมันไม่ดีสิ่งสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งสิ่งจยาละเอียดอยู่ในขอบเขตของปัญญาปัญญาธรรมดาสามันนี่แหละไม่ต้องปัญญาอะไรมากมายปัญญาที่เป็นฝ่าย ปัญญาที่เป็นสายธรรมะพิจารณาได้เกิดเป็นธรรมทั้งหมดความโลภดีเหมือนกันพิจารนาเห็นความโลภมันดีคือมันไม่โลภ ไ, ไม่โกรไม่โกรธก็ดีเหมือนกันถ้าไม่โกรธก็ไมไ่ละโกรธอนะถ้ามีโกรธจะเอาอะไรมาละ ไม่มีหลงสมัยเดยล่าหลงเนี่เป็นธรรมอย่างนี้คนที่ไม่เห็นเป็นธรรมโลกก็กุม อ, อกกุมใจอยากจะได้ทายเดียไม่มีทางปลดเปลื้องแก้ไขตนเองได้โกรธก็เหมือนกันเลยคุก อ, อกคุกใจแต่โคมโกรธนั้นมืดมิดปิดคนทางไม่มีทางออก ความหลงก็เหมือนกันไม่เข้าใจว่านั้นเป็นธรรมเลยพี่แต่ความโลภของมโกรอย่างเดียวนั่นจึงว่าเป็นอันนั้นจึงว่าเป็นโลกไม่เป็นธรรมอัะนะท่านถ้าเป็นธรรมเราเห็นมันละแค่ก่อนอย่างการเปิดทับละแล้วก็เห็นเห็นคุณของข้าเห็นคุณเรื่องเหล่านั้น อันนี้เรียกว่าปัญญาธรมาญญาามธรมดาเนี่ยปัญญาสามัญธรรมดานี่แหละถ้าปัญญาสูงวิเศษขึ้นไปคนนั้นเนี่ยปัญญาอภิจาระมันเกิดเองเป็นเองหรอคนนะั้ใครสอนไม่ได้ใครจะแนะนํามไม่ได้เวลามันจะเกิดมานล้เกิดขึ้นมาเองปล่อยวาง จิตใจปล่อยวางลงไปหมดทุกสิ่งทุกประการแม่แต่ความคิดความนึกถึงนั้นก็ปล่อยวางจิตใจนั้นก็ปล่อยวางมันเกิอดอนไรขึ้นมาความรู้วงขึ้นมาชัดขึ้นมาเห็นอนิจจังทุกขังนาตาหมดเรื่องพุทธศาสนาหมดแค่นั้นเห็นอะไรก็เห็นถึก ลงอันนี้จังทุกครั้งแล้วมดไม่มีทางไปนี่แหละอธิบายให้ฟังทั้งเรื่องทานมีหลักคือศรัทธาได้ก่อนจินมีหลักทินมีหลักเรื่องไหนคือวิเดสีมดเว้ น, นแล้สมีหิโอดะปาปขึ้น้นอยู่สมาที่คือมีจาระ ปัญญานี่คือมีความรู้ความเข้าใจในการที่เห็นสิ่งปวงหมดรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วปัญญามีสองอย่างขั้นปัญญาในทางธรรมเห็นโลกเป็นธรรมอย่างที่อธิบายมาแล้วโลกโปรดหลงนั่นเป็นของดีท่านไม่มีโลกโปรดหลงก็ไม่ได้ละโลกโปรดหลง อันนั้นเรียกว่าปัญญาทางธรรมปัญญาสูงนี้เด่นขึ้นไปกว่านั้นอีกเรียกว่าปัญญาปรสนะเทียนาสิ่งเฟืองหมดเห็นเป็นโทษทุกข์ภัยเห็นเป็นภัยอันตรายเกิดจิตใจแล้วปล่อยวางทอดทุระลงอนิจจังผู้เผิงอนาตาอันนี้เรียกว่าปัญญาอันิเศษสูงสุดคนจะพ้นจาก โลกได้กับเพราะเห็นที่สุดของโลกคืออั น, นิจจังทุกขังนาตานั้นเองถ้าได้ถึงนั้นแล้วไม่ใช่คิดเอานะมันเห็ น, น จ, ร จ, จริงจกิงจังรู้แจ้งจริงๆรเลยจังด้วยใจของตนเองคิดเอามันไม่มันไม่จิตไม่มีสิ้นสุดมันตอนเดียวก็ว ก, ก, กลับคืนมาอีก ทขาไมเห็นจริงแจ้งในใจแล้วละในมดทุกสิ่งทุกอย่างลงอ น, นิจจังทุกหน้าตาไม่ใช่ไปที่ไหนแล้วจริงของโงหมดมันเพียงแค่อนิจังทุกหน้าตาพุทธศาสนารวมยอดก็มาเพียงแค่นี้นี่แหละพากันเมื่ออพันธา์สาคนแยกย้ายไปทํามากินตามหน้าที่ของตนทุกคน ให้พากันหาหลักเอาอัหลักนี่น้มันได้อย่าให้มันเสียทีที่เราได้มาฝึกปฏิบัติฝึกหัดอบรมภาวนากรรมฐานเดียวเอาของไม่ดีไปเผยแค่ไม่หายขี้หน้าตนเองของไม่ดีคืออะไรทั้งหลายทั้งคนทั้งฝวงมดมหาควงดี อย่างี่ได้ของดีอย่างชื่อฝานนี่เขาออกไปต้อนพี่ต้อนน้องเอาไปหาเอาไปฝากที่ฝากน้องฝากญาติฝากโยมฝากหมู่เพื่อนเขาเจ้ของดีนี่ไปฝากเพื่อนเพื่อนเป็นแบบน้าชมนิยมนับถือนั่นเป็นการดีมากและที่ว่าตัวของเราก็ดีหมู่เพื่อนก็่อยดีไปตามด้วย เอาของไม่ดีฝ่ายละกันมีอะไรของไม่ดีห้ากเก็บเอของไม่ดีนะ่ะเก็บใส่ถุงใส่ถุงเต็ม ถ, ถุงแล้วก็กลับบ้านไปเปิดดูว่ามีอะไรมีตะกีะเต็มถุงไม่มีอะไรเลยอะไรของชิยะอยู่ในอย่างในที่ไหนถุงนะั้น มีกระดาษบ้างมีเปลือกไม้บ้างเปลือกส้มเปลือกลูกไม้อะไรต่างๆเบหมดเ่าไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องจับไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือเสียเวลาปเปล่าๆเราทำปฏิบัติอย่าให้มันเสียผลประโยชน์ในการที่เกิดขึ้นมามีชีวิตได้มาฟุ้นผลอบรมจงทำตนของตนให้มีประโยชน์คุณค่าอย่าให้เสียเวลาที่เราบว ที่เรามาปฏิบัติที่เรามาอบรมรักษาจิตอันนี้เรียกว่าอบไส่อบไอ่อไอสอนอบรมให้เข้าใจเรงเรื่องตัวของเราที่เรามาอยู่จะต้องเอาอะไรไปบ้างอันสิ่งที่ควรที่ติดไหมติดปืนของเราแต่เพ้าของที่เจตของเลอะเทอะพวกนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยความป่วยความโลคความหล ง, ง, งทั้งไหน หูเพื่อนเลยพากันาเอาละขมมโรก ข, ขกุนโสดทั้งหลวงแต่เราเอาขอมโลก ข, ขลกุนโสดนั้นไปเผยแพ่ไม่ดีเอาละเพียงแค่ น, นี้และวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะเราต้องบูชานั่งสมาธิภาวนาบูชาวันสุดท้าย ความปวดหลังปวดเอวเจ็บหลังเจ็บเอวบูชามวดอย่าให้เป็นของตัวความที่เกียดที่ข้างคอมเนสเหนืน่อยสัญญาอารมณ์ทิพเป้า ผ, ผ่านในจิตในใจของตนกังวลนูววายอย่างนั้นวันนี้แหละจะต้องสละให้หมดจินเป็นวันสุดท้ายจะต้องบูชา ถ้าหากว่าไม่ได้บูชาเสียวันนี้มันจะติดตามตนไปมันจะไปงอกงามเกิดขึ้นมาอีกออกแม่แพ่ลูกขยายค่วขวางอกไปอีกเหีนนั้นจึงตั้งใจทำวันนี้การทำสมาธิก็มีหลักกันอยากอธิบายฟังแล้ว คือการสละปล่อยวางทุกสิ่งทุกประการในขณะที่เรานั่งภาวนาไม่เสียผลประโยชน์อะไรหรอกมีก็มีไว้วั่นแหละทักสียเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หายเราสละลงปัจจุบันไม่ จ, จ้องไปติตห่วงกังวลของคนนั้น เรื่องต้นเราต้องเอาคําบริกรรมจะเอาพุโทโธก็เอาเพื่อจะเอาอนาปะสติก็ได้ถ้าไม่มีคําบริกรรมไม่ทราบมันจะไปอยู่โดยประการใดก็ต้องมีคําบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัท่านเอาไปยึดเอาคําบริกรรมมาตั้งไว้แล้วก็จิตมันไปยึดเอาคําบริกรรมมานั้น พุโทโธพุทโธหรืออนาปะเสสิากาเอาแค่เอาเดียวจะเอาก็ีอวคิดมันกระจดจ้องอะไรในสิ่งนั้นคิดไม่ไมีหลายอยา่างคิดนั่นมีหลายคนคนเดียวตท่ น, น, จจนั้นการกรจดจ้องอะไรมันไม่ไปกังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องอืดใลมันก็เป็นสมาธิตอนนี้สมาธิอยู่ใกล้นิดเดียว ฝึกหายปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วขา น, นี่ให้รักษาสมาธินั้นท์ไวจะรักษาได้นานถ้าได้ก็รักษาไปเถอะเอาเป็นปีเอาเป็นสิบสิปีคนละอยา่าไปอยากรู้อยากเห็นอยา่ารู้อยากเห็นไปก่อให้เกิดอีกแล้วให้เกิด ให้ก่อให้เกิดวุ่นวายอีกแหละมันเป็นหลายอย่างอีกหลายคิดหลายใจไปอีกแหละมันนิ่งเงี้วเป็นสมาธิอยู่ันเดียวอันนั้นเรียกว่าถึงสมาธิแล้วสมาธินี่ที่จะฝึกหัดสมาธิมันต้องเห็นจิตเช่นก่อนเห็นจิตของตนเช่ก่อน คิดพูดนึกอนะไคือจิตผู้ส่งผู้สายใจมาต่งตางๆนั้นเรียกว่าจิตคันท่าหากว่ามันคิดมันนึกอะไรเป็นตัวจิตเมื่อนนั้นถ้าไม่คิดถ้าเห็นโทษเห็นทุกในการคิดนึกตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่หยุดยัง้งก็ไม่เห็นเข้าถึงสมาธิ ส, สักทีไม่เป็นสมาธิ ส, สักที เราฝึกหาจะต้องการเดียกเรียนสมาธิเห็นแ้นยังให้เห็นโทษเบื่อได้ในการที่จิตรงสายวุ่นวายทั้งเห็นโทษเบื่อในสละหมดยังเหลือจะจิตเจ็ดติจิตจิตตัวจิตตัวเดียวรันจิตคือตัวคู่คิดคู่นึกแต่อย่าไปเอาการคิดการนึกมาเป็นอารมณ์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 แต่รู้จักว่าเฉยรู้จักว่าเฉยผู้เฉยนั่นนะคือเป็นตัวใจนั่นนะทั้งเราจะสั้งเกตดในตัวใจแต่ว่าการฮัดอย่างนี้เพื่อทดสอบเห็นความจริงของมันแล้วมันจะต้องสบายลมหายใจออกไปมันก็ฟุ้งซ่านได้อีกสงสั ย, ยต่างเรื่อง มันทงสายมันก็เป็นจิตคาะนี่ใจคือผู้เป็นกลางไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตนในตัวอยู่ในวัฏนนะักรตัวใจไใ้ตัวจิตตัวนั้นให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับ ต้นไม้ภูเขาก็ได้ท่านอยู่ในป่าในโลกก็ได้ไม่อยู่ในตัวในตัวนี่ก็ได้สุดแล้วแต่เอาแต่ไปตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหะตัวใจในนั่นแหะตัวจิตไปรู้สึกกันขันธ์หาก็เอาเอาเอ า, เอาจิตต้นนั้นไปไปรู้สึกในตรงนั้นเนี่ยไปรู้สึกใ น, นสิ่งใดแล้วให้จับเอาคู่รู้สึกนั้น อย่าไปจับอาการอาการต่างๆให้จับปัจจัวผู้รู้สึกนั้นก็จะได้ใจอีกเหมือนกันใจนั้นเหมือนอยู่ในกระดานถอะนอกไม่ว่านายไม่ว่าแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติพ่อนาสรมฐานต้องการอบรมใจมันต้องการอบรมจิตไม่ต้องมันจะการอบรมใจอบรมจิตผู้นี้แหะ ให้ตั้งสติควบคุมจิตพวนี้แหละยืนเดินนั่งหมอนิยาบทใดก็ดีรู้ตัวว่าเรากำหนดจิตเราเห็นจิตคิดมึกสงสัยจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็เอาครับมันทัองเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรดอกรานุสานอุเบกขโพนะ ต้องการให้เห็นจิตเธอเนี่ยมันจะไปได้ก็เอามันออกหรือมันเข่ามันดุดมาอยู่หรือมันนิ่งอะไรอย่างงั้นรูเห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นรู้เห็นมันอยู่งั้นเน่ยมันจะมีเวลาหนึ่งปล่อยวางคนอันที่มันคิดมันนี่มันปรุงมาแต่งานมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้ว อันรวมลงมานั้นมันก็ไม่รู้สึกว่ามันหักรวมมีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้น่ะต้องการท่้นเป็นอย่างนะั้นพึ่งหัดสมาธิใจใจเขาหมายขวามาของเป็นกลางเรียกวัดใจ สิ่งในพวงมดของความเป็นกลางเราเรียกว่าใจไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องเอาไปุงไปแต่งอะไรทั้งหมดไม่ต้องอยู่นอกอยู่ไหนแต่ของเป็นกลางกลางของที่ไม่ดีไม่ชั่วแต่เป็นกลางกลางชั่วก็เป็นสมมติเ่าชั่วมันเป็นทั้งทางซ้ายใช่ดีมันเป็นทั้งขวาใช่แต่มันเป็นตรงกลา ง, งนั่นนะ่ะตัวใจแท้นะ <c oughs> ใจเป็นของกลางอย่างเขาเรียกว่าใจใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจผู้จะคนก็ตามเถอะเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทํากลางอกนี่แหละตรงกลางกลางนี่แหละใจมือก็ชี้ก็ตรงฝ่ามือตรงกลางมือนั่นเนี่ใจเท่าใจอะไรต่างๆของกลางเรียกว่าใจถ้าอยากให้รู้ใจนีเข้าใจอย่างนี้ ยังจะค้นหาใจให้มันถูก อ, าอ้าวพอได้ครับนี่